ดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็กุลบุตรทั้งหลายเป็นผู้ไปในอำนาจแห่งเหตุอาศัยอำนาจแห่งเหตุจึงเข้าถึงความเป็นผู้สแสวงหาบินทบาทนี้แล้วนะคือที่ต้องมาเดินบินทบาทแบบนี้เนี่ยนะคอยรับก้อนข้าวที่เขาใส่ลงมาเนี่ยก็เพราะมีเหตุนะไม่ใช่ไม่มีเหตุคือมันมีเหตุมีผลที่ต้องมาทําแบบนี้ทีนี้ก็เหตุผลอย่างแรกก่อนนะไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัน คือไม่ใช่ว่าหนีคุกหนีตารางมาบวชนะประสองไม่ใช่เป็นคนเนี่ยขอให้โจรปล่อยตัวแล้วมาบวชเช่นว่าจะไปที่ไหนอ่ะนะโจรเขาจับจะเอาไปฆ่าแล้วก็ไปบนกับโจรไว้ว่านี่ฉันจะบวชให้นะอย่าฆ่าฉันเลยเงี้ยนะก็ไม่ได้เพราะแบบนั้นหรือไม่ใช่เป็นคนมีหนี้หมดทางไปแล้วก็โอ้บวชแล้วหรือไม่ใช่เป็นคนมีภัยเนี่ยนะเป็นคนมีภัย หรือไม่ใช่เป็นคนมีอาชีพแรนดแคนถ้าอย่างอย่างสมัยก่อนนี่จะเห็นชัดว่าสมัยพุทธกาลนี่ผู้ที่บวชเป็นคนตระกูลสูงซะซะส่วนใหญ่เนี่ยนะเป็นเจ้าเป็นกษัตริย์ก็มีเป็นเศรษฐีเครือาบดีเป็นต้นก็มีอาชีพที่อย่างต่ําที่สุดที่มาบวชคืออาชีพครหาบดีคนที่ที่เลี้ยงครอบครัวได้ด้วยตัวเองอยู่ได้เนี่ยนะกลุ่มนี้เรียกครหาบดีเป็นต้นไปนี่จะมาบวชกัน มันมาบวชก็ไม่ใช่เพราะว่าอาชีพแปรนแคนไม่มีไม่มีที่ทํากินหรือว่าไม่มีช่องทางทํามาหากินแล้วเนี่ยนะต้องมาบวชแบบนี้ก็ไม่ใช่ดูก่อนที่สูตทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งกุลบุตรนี้บวชแล้วโดยที่คิดเช่นนี้ว่าเนี่ยนะทำไมจึงมาบวชนะถ้าถ้ากล่าวเลยนะเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้อัญชาติชรามรณาโศกปริเทวะทุกโทมณตอุปายาตครอบงามแล้ว เชื่อว่าเป็นผู้มีทุกครอบงามแล้วมีทุกประจําแล้วฉนัยเนาการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏแก่ชัดแก่เราได้อนนก็แบบแคล้ายๆกับสวดมนต์เช้าๆนะใครที่สวดมนต์ว่าเทวดาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระองค์เป็นพระ้าหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงธรรมแล้วภายเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุด นะแล้วก็คําสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้อย่างนี้เช่นขันห้าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะเป็นต้นทีนี้เราก็มาปาลบว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่มีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกขอย่างลงแล้วเนี่ยนะทุกที่ว่าของเราที่ทุกคนที่มีคืออะไรหนึ่งเรายังไม่พ้นชาติทุกเนี่ยน ะ, ะคำว่าชาติทุกเนี่ยเราเน้นเฉพาะชาติที่เกิดมาชาตินี้ใช่ไหมที่เรากลัวชาติเนี่ยนะไม่ใช่ หมายถึงชาติทั้งหลายมีปฏิสนธิในนรกปฏิสนธิในเป ร, ปรตปฏิสนธิในเดรัจฉานทั้งหลายหรือมาปฏิสนธิในขันเป็นต้นที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทุกข์ที่เราเนี่ยยังละไม่ได้แล้วก็ยังมีอะไรอีกพอเกิดมาสิ่งที่ตามมาก็คือชราพยาธิและมรณะเป็นต้นอาศัยสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกโทรมนัสและอุปายาส ก็มีแต่ทุกข์ทั้งหมดเลยทํำยังไงนะมันจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้เห็นไหมก็ที่มาบวชนะก็อาศัยเหตุนี้จึงมาบวชคือรู้ว่ามีทุกข์เหมงอนกันเถอะมีทุกข์คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือไตรสิกขาการบําเพ็ญอธิศีลสิกขาการบําเพ็ญอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นคําสอนที่บอกว่านี้นะถ้าเธอปรารถนาพ้นทุกข์เธอปฏิบัติเช่นนี้เช่นนี้เห็นไหม แต่ทีนี้พอบวชเข้ามาแล้วอันนั้เหตุผลที่มาบวชคือสรุปว่าต้องการเป็นพระอรหันต์เห็นโทษของสังสารวัตรแต่ว่ากูลบุตรนั้นมากไปด้วยอภิชาเนี่ยนะมีราคะกล้าในกามทั้งหลายคือบวชมาแล้วก็หมกมุ่นในกามวิตกเ น, นี่ยนะคิดนะนะกามเขาบอกว่าตันหูปาทานเนี่ยนะเคยก็ดีนะตันหูป่าทานนี่มีสี่อย่างคือตันหาถ้าจะเกิดตันหาบวกอุปาทานเนี่ยนะ คือถ้าตัณหาจะเกิดเกิดเพราะาาสายอะไรเครื่องนุ่งห่มบ้างที่เรียกว่าจีวรเพราะอาหารบ้างเพราะที่อยู่อาศัยบ้างเพราะยารักษาโรคเป็นต้นบ้างเนี่ยนะความเจริญความเสื่อมเนี่ยเพราะนั้นถ้าตัณหาจะเกิดก็าอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็มาคิดแต่เรื่องพวกนี้ยฉันยังไงอยู่ยังไงฉันอะไรฉันที่ไหนฉันยังไงอะไรเนี่ยก็มาเดือดร้อนแต่เรื่องฉันเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องรูเรื่องราเนียนะ ทีนไอ้ปัจจัยสเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนล่ะนนะมันก็ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุที่เป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของวัตถุคือปัจจัย4เหล่านี้อีกนะเรื่องก็เลยบอลเนี่ยนะเรื่องยาวสรุปว่ามากไปด้วยพิชาราคะกล้าในกามทั้งหลายเนีย่ยนะมีจิตพยาบาทมีความดัมริแห่งใจอันโทสะปุถุสายแล้ว น, นะแปล ต, ตงรงรองว่าบวชเข้ามาแล้วกามมาวิตกก็มากพยาบาทวิตกก็แรงเหมน มีสติหลงลืมเนี่ยนะระลึกไม่ได้เลยน ะ, ะเช่นขณะที่พยาบาทเกิดขณะที่ราคะเกิดเนี่ยระลึกถึงคำสอนไหมตอนนั้นไม่ได้เลยระลึกคำสอนไม่ได้ไม่มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะในฐานะทั้ง7็ดมีไหมอันนะีสัมปชัญญะสี่ในฐานะเจ็ดนะตั้งแต่ไปมาอะไรบ้างไปมาแลเหลียวคูเหยียดอนนะทรงบาจีวรสังคติอ น, นะ การกินดื่มเคี้ยวเลียมการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งเนี่ยนะก็ไม่มีสัมปชัญญะแบบนั้นใจนี้ก็ไม่เป็นไปกับอุปจาระสมาธิและอัปนาสมาธิเนี่ยนะมีจิตหมุนไปผิดอนนคือคําว่าหมุนไปผิดเนี่ยหมุนไปไหนหมุนไปนอกคําสอนนั่นแหละเนี่ยนะคือคือไอ้ไม่ใช่กิจที่มาบวชอะไรเลยคิดไปทั่วไป น, นะไม่สํารวมอินทรีย์เนี่ยนะ คำว่าไม่สำรวมอินซีนี่แปลว่าปล่อยตาให้ไปดูในสิ่งที่ก่อให้เกิดอภิชาและโทมนัตปล่อยหูไปฟังให้นะฟังไอ้สิ่งที่มันก่อให้เกิดอภิชาและโทมนัตรับกลิ่นรู้รสรับกระทบหรือนึกคิดอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อให้เกิดอภิชาและโทมนัตเรียกว่าไม่สำรวมบินซีเนี่ยนะอันนี้ก็สรุปว่าตอนแรกที่บวชนะ ที่มาขอทานเนี่ยนะสำนวนว่ามาบินทบาติชันที่เหมือนกับขอทานเพราะเห็นภัยในวัตตะพราะบวชเข้ามาแล้วมาทําอะไรก็กิเลสครอบงำมันนะราคะโทสะโมหะกุศลไม่เกิดพระองค์ก็ตําหนิว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเรากล่าวบุคคลผู้เสื่อมแล้วจากโภคะแห่งครือขัดด้วยอ่านะพอบวชเข้ามาอย่างงี้แล้วอาชีพแบบคราวาสก็หมดไปใช่ไหมไม่ทําประโยชน์ คือความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ด้วยความเป็นสมณะเนี่ยด้วยปริยัติกับปฏิเวทนะความเป็นสมณะเนี่ยด้วยปริยัตและปฏิเวทนะเพราะว่าปริยัตเนี่ยถ้าได้อ่การปฏิบัติเนื่องด้วยปริยัตเพราะว่าสาระของปริยัตคือการปฏิบัติเนี่ยนะเพราะถ้าไม่มีปริยัตไม่มีปฏิเวทแล้วก็ความเป็นสมณะก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่า มีอุปมาเหมือนกับดุ้นฟืนในที่เผาศพเนี่ยนะบางแห่งกขาบอกว่าในที่เผาผีเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งน ใ, นในในอิติวุตกะเนี่ยท่านบอกว่าในเหมือนกับท่อนฟืนเผาผีอย่างนั้นเลยเผาศพกับเผาผีในในน่ากลัว ก, กันนะเขบอกว่าซึ่งทั้งสองเนี่ยติดไฟทั้งสองข้างเลยอัตตกะถาท่านบอกว่าแค่แปดนิ้วนะท่อนฟืนถ้ามันยาวๆนี่ยอาจจะตัดหัวตัดท้ายแล้วใครไม่รู้เอาไปใช้เงินได้งานทั่วไปได้นะเอาสักแปดนิ้วแปดนิ้วก็ท่าได้ ไม่ถึงศอกนะนะหัวท้ายไฟก็ไม่เหงัอนตรงกลางนี่เปื้อนอุจจาระอีกต่างหากเงี้ย น, นะหมาเจ้ากรรมไม่รู้ที่ไหนไปถ่ายใส่อีกอย่างงจะใช้เป็นฟืนในบ้านก็ไม่ได้จะใช้เป็นฟืนในป่าก็ไม่ได้จะเอาไปใช้กิจอย่างอื่นก็ไม่มีใครเอาเลยนะเหมือนฉันนั้นอัจกฐาท่านอธิบายว่านี่ไม่ใช่หมายถึงพระพิสูจ์ที่ทุ่นศะีลนะ หมายถึงพระพิสุทที่บวชเข้ามาศีลแบบปาติโมขะสังบลดีหมดเลยแต่ว่ามากด้วยอกุศลวิตกเนี่ยนะพระองคุปมาพิสุนเนี่ยว่าเหมือนกับท่อนฟืนเผาผีอย่างนั้นเนี่ยอันนี้หมายถึงศีลดีแล้วนะแต่อกุศลวิตกเกิดอันนศีลที่เป็นปาติโมกดีไม่จํากล่าวถึงปาติโมกไม่ดีเนี่ยนะอุจนากรุณาขนาดไหน ถ้าพูดแบบสมัยพุทธกาลแล้วพู้ที่มีศีลดีนี่เขก็ยกย่องมากเอ่อไม่ยกย่องเลยอย่างพระพุทธเจ้าบางองนะ พ, พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยท่านบอกว่าใครที่จุติแบบพระเสขะคือหมายคือว่าถ้ายังไม่เป็นพระอราหันต์แล้วตายนะเขาตําหนิกันหมดเลยเนี่ยนะเขาตําหนิเลยนะคือว่าตายแบบพระเสขะที่เขาเขาตำหนิเลยนะดูในพุทธวงศ์นนะมีมีในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ พระภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วตายแบบพระโสดาพระสกะทาคามีพระนาคามีเขาตำหนิมหมดนะไม่จำากล่าวว่าแหมมีศีลดีสมาธิดีธรรมดาเนี่ไม่้องพูดอย่ายวพึ่งกระอักเลือดนะนะทีนี้ โปรงก็ตรัสถึงต้นตอของสิ่งที่ทำให้เสียหายเนี่ยนะต้นตอที่ทำให้เป็นเหมือนกับฟืนเผาศพอ่ะ น, นะที่ที่ทำให้นักบวชคนนี้ไร้ค่าคืออะไรคืออกุศลวิตกใช่ไหมที่ที่ตอนแรกก็เห็นภัยในวัตะดีแล้วก็มาบวชพอมาบวชแล้วก็จิตเนี่ยเป็นไปกับกามวิตก น, นะพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนนะดูกนพิสูจนทั้งหลายเมื่อบุคคลมีจิต ตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสี่หรือเจริญอนิมิตะสมาธิอยู่อากุศลวิตกอย่างนี้แหละย่อมดับไปโดยไม่เหลือเนี่ยนะที่จะแก้อกุศลวิตกกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยนะแก้ด้วยสติปัฏฐานสี่หรืออนิมิตะสมาธิอันนะีดูกราพิสูจ์ทั้งหลายอานิมิตะสมาธิควรแท้ที่จะเจริญจนกว่าจะละอากุศลวิตกนี้ได้ อนิมิตะสมาธิที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอ น, นิสง์มากนะนอนิมิตะสมาธิในที่นี้หมายถึงอ น, นิจจานุปัสสนานั่นเองที่ไม่มีนิมิตว่าเที่ยงว่าศขว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะอัอกุศลวิตตกมีสามนะ นึกามวิตกกันนะสพยาบาทวิตก3ก็วิหิงสาวิตกนั่นนะเออกามวิตกเนี่ยตรงๆแล้วแก้ด้วยสติปัฏฐานคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็คือกลุ่มโทสะแก้ด้วยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะ อ, อันนี้ก็เป็นสติปัฏฐานที่ที่มาแก้อากุศลวิตกนนะหรืออีกในหนึ่งท่านบอกว่าด้วยอะนิมิตะสมาธิเนี่ยนะอนิมิตตนี้ก็คือไม่มีนิมิตนนะ อนิมิตตสมาธิอัตถกถาอธิบายว่าได้แก่อนิจจานุปัสสนาอันนี้จานุปัสส น, า, นาก็คือการไม่ถือนิมิตว่าว่าเที่ยงเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะไม่ถือนิมิตว่าเที่ยงไม่ถือนิมิตว่าสุขไม่ถือนิมิตว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะท่หรืออีกเลยหนึ่งท่านบอกว่าการเจริญสติปัฏฐาน ที่ประกอบกับอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะหรือตรงๆอ่ะการเจริญอย่างนี้แหละเป็นอุบายเพื่อละอักุศลวิตกเนี่ยนะการเจริญแบบนี้จะทําให้ละอกุศลวิตตกถ้าเราย้อนมาอีกครั้งหนึ่งถ้าการมัวิตกเกิดขึ้นก็ปรารอถึงอะไร น, นวะวัตถุกามใช่ไหมะวัตถุกามที่เป็นอารมณ์ที่ทําให้เกิดการมวิตตกก็คือโดยทั่วไปก็ในสิ่งที่มีชีวิต ถ้าเราระลึกถึงข้อความในสติปัฏฐานเนี่ยนะก็จะพูดถึงกายนี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่ไหนลมหายใจเนี่ยนะคือลมหายใจเป็นเบื้องต้นแล้วมีอะไรเป็นที่สุดกระดูกเป็นผงเป็นที่สุดเนี่ยนะกระดูกนะแหลกเป็นผงเป็นที่สุด ฉนันระหว่างนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้ไข้ครวนอย่างนี้นะจนตลอดสายแบบนี้มากๆบ่อยๆเนี่ยกามวิตกก็ก็ระงับเนี่ยนะอันนี้เป็นอุบายที่จะทําให้ระงับกามวิตกเนี่ยนะก็ไม่ว่าจะเป็นสรีระไหนก็ช่างเถอะที่ปรารบขึ้นมาที่วิตกถึงนะคิดถึงใครก็ช่างเถอะเอาลมหายใจขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็กระดูกแหลกอันนั้นผุยผงเป็นที่สุดเนี่ยนะก็ไปเจริญ คิดถึงใครก็ช่างไหหรือวัตถุใดก็ช่างอารมณ์ไหนก็ช่างเนี่ยใครครวรชีวิตนั้นะ่ะตั้งแต่ลมหายใจเป็นเบื้องต้นกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดเนี่ยนะถ้าใครควรหรือตรึกแบบนี้หรือเจริญแบบนี้บบนมากๆกา ม, มาวิตกก็ระ ง, งับไปเนี่ยนะหรือถ้าจะเจริญแบบธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้นะว่าเออกา ม, มาวิตกก็คือพิจารณาแบบ การมชฉันทะนิวรณ์เนี่ยนะวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกก็คือพยาบาทนิวรณ์นนะตามสูตรว่างไงเมื่อการมฉันทะนิวรณ์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดหรือว่ามีอยู่ณภายในก็รู้าาชัดเมื่อการมาฉันทะนิวรณ์เนี่ยไม่มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดการมชฉันทะนิวร์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัด การมาฉันทาที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดการมฉันทาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดพยาบาทก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะก็มาเจริญแบบนี้ถ้าเจริญแบบนี้มากๆนะก็จกละอากุศลวิตตกเหล่านี้ได้เนี่ยนะละอากุศลวิตตกเหล่านี้ได้หรือถ้าว่าอีกนายหนึ่งนะอารมณ์ทุกอารมณ์ที่ที่ ปรารถถึงเนี่ยนะในทวารทั้ง6อะ่ะอารมณ์เหล่านั้นก็พิจารณาอารมณ์นั้นพร้อมทั้งปัจจัยแล้วไข้ครควนโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นที่เรียกว่าอนิมิตะอนิมิตะสมาธิเนี่ยนะก็ไข้ครควนอารมณ์เหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะเมื่อเจริญแบบนี้มากๆ ก, ก็จักละอะกุศลไิตกได้ทีนี้ในข้อต่อไปนั้นซึ่งอัตถกาถาเชื่อมว่าผู้ที่เจริญอนิมิตะสมาธิ หรือสติปทานเนี่ยนะไม่ละเฉพาะแต่อากุศลวิตกเหล่านี้เท่านั้นยังละทิฏฐิอีกสองอย่างด้วยถ้าเจริญแบบนี้มากๆนะถ้าเจริญถูกต้องดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทิฏฐิสองอย่างนี้คือภาวะทิฏฐิและวิภวะทิฏฐิดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นทิฏฐิสองอย่างดังนี้ว่าเรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่พึงเป็นผู้ไม่มีโทษ ในสิ่งนั้นน่ะมีมีอยู่บ้างไหมพูดสำนวนเราบอกว่าถ้าเรายึดถือสิ่งใดเนี่ยนะแล้วไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นน่ะมีไหมอ่านะเข้าไปมีกิเลสในวัตถุใดแล้วไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเดือดร้อนใจในสิ่งนั้นอ่ะเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เธอย่อมัเออเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่พึงเป็นผู้ไม่มีโทษสิ่งนั้นไม่มีเลย เือเข้าไปยึดเน่นะแล้วไม่เดือดร้อนไม่เสียใจไม่ลำบากไม่นํามาซึ่งพิษภัยอะไรนะ่ะไม่มีเลยเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเรายึดถือพึงยึดถือรูปเมื่อยึดถือก็พึงยึดถือเวทนาเมื่อยึดถือก็ยึดถือสัญญายึดถือสังขารยึดถือวิญญาณพบพึงมีแก่เราเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย น, นะ ชาติมีพระพบเป็นปัจจัยชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตมีเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้พึงมีได้ด้วยประการชน้ดลุกเนี่ยนะอันนี้ก็สาวให้เห็นปฏิจจสมุป บ, บาทเลยนะให้เห็นว่าสังสารวัตเป็นไปแบบนี้นะ อันนี้หมอไม่มาเราได้บุญเลยย้อนอีกครั้งหนึ่งน ะ, ะถ้าเชื่อมเรื่องตามลำดับมาตอนแรกก็คือพระพุทธเจ้าประนามพูดง่ายๆว่าวไล่ภิกษุทีนี้พระองค์ก็บรรดาอิทาอิทาพี่สังขารให้ ให้เข้ามาเฝ้าแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมเนี่ยนะธรรมะที่แสดงก็คือแสดงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยนะปิโดระยะสูตรเนี่ยนะเออถ้าถ้าอีกในหนึ่งเนี่ยนะปนามะในหนึ่งนะนอบน้อมนนะตนี้พูดแบบ แบบไทยนะแบบขับไล่เลยนะทีนี้พระองค์ก็แสดงพูดถึงว่าอาชีพที่เลวในโลกนี้คืออาชีพอะไรชีพขอทานนั่นกันะแต่ที่พระพิสุต้องมาขอทานเนี่ยเพราะมีเหตุเหตุอันนั้นก็คือชาติตุกข์เป็นต้นสรุปว่าภัยในวัฏฏานี้เกิดขึ้นเนี่นยนะอันนี้ก็รวบรัฐว่าที่มาเห็นภัยในวัฏฏะเพราะอะไรเพราะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าฟังธรรมว่าไอ้วัฏานี่มันมีภัย นั้นก็เข้ามาบวชเนี่ยนะนี่พอเข้ามาบวชแล้วอะไรเกิดว่ารวมๆก็ง่ายๆอากุศลวิตกนี่เกิดอากุศลวิตกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะหมอกมุ่นไปด้วยอากุศลวิตกแบบนี้เพราะองค์ตำหนิว่าออดุนฟืน น, นะนะเผาผีก็ได้ศพ ก, ก็ไม่เป็นไรเดียวกันนั่นแหละ แต่ผมก็บอกว่าธรรมะที่จะละอากุศลวิตกเหล่านี้คือสติปัฏฐานและอนิมิตะสมาธิสองอย่างนี้จะขยายคู่กันก็ได้จะขยายแยกกันก็ได้เนี่ยนะ ถ้าใช้คําว่าสติปัฏฐานเนี่ยนะอาจจะเริ่มตั้งแต่การพิจารณานามรูปพร้อมทั้งปัจจัยพวกนี้ก็เป็นสติปัฏฐานแต่ถ้าใช้คําว่าอนนีมิตรสมาธิก็คืออนิจจานุปัสสนาเป็นต้นหรือจะควบกันเลยเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ถ้าพูดถึงอนิมิตตสมาธิหรืออนิจจานุปัสสนาอ่า น, นะ สิ่งที่ตามมาอีกคืออะไรถ้าพูดถึงนะอนิจจานุปัสสนาก็ต้องเป็นสองทุกขานุปัสสนาเนี่ยนแะเขบอกว่าอานิจจ์เขาบอกว่าอานิจจะสัญญาคือพิจารณาว่าไม่เที่ยงก่อนก็พิจารณาสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละโดยความเป็ น, uk, ป น, ปนทุกเรียกว่าทุกเขเขาบอกอนิจเจ е, ทุกขสัญญาแล้วก็สก็พิจารณาไอสิ่งที่เป็นทุกนั่นแหละเป็น อ, อนัตตาเนี่ยนะว่าอะไร ทุกเหตุอนัตตาสัญญาก็คืออนัตตานุปัสสนานั่นเองนีต่อไปก็เป็นถ้าเจริญตามนั้นถูกต้องก็จะได้รับนิพพิทาคือเบือนาย น, นนทะีนพอเบือนายก็ก่อให้เกิดวิราคะต้องการสร้างหรือต้องการก่อพบอีกไหมไม่ต้องการอันนั้นเป็นนี่โรธะต้องการสละคืนเป็นปฏินิสขะเนี่ยนะก็เป็นเจ ในผู้ที่เจริญอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ละเฉพาะอากุศลวิตกเท่านั้นนะยังละอะไรอีกละทิฏฐิสองประการทิฏฐิสองคือหนึ่งภาวะทิฏฐิกับสองวิภาวะทิฏฐิภาวะทิฏฐิคือสัตตะทิฏฐิ วิภาวะทิฏฐิคืออุดเฉดทิฐิทีนี้อิทธิฏฐิเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรมันคือความยึดถือถ้าไม่ยึดถือนะทิฏฐิสองอย่างนี้ยังไม่เกิดถามว่าเมื่อยึดถือเนี่ยยึดอะไรยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณก็คือยึดถือในขันธ์ห้าที่ถามว่าเที่ยงอะไรเที่ยง ไอ้ที่ยึดถือก็ยึดขันห้านั่นแหละว่าเที่ยงถ้าจะยึดว่าศูนย์อะไรศูนย์ก็ขันห้าอีกนั่นแหละศูนย์เพราะฉะนั้นทิฏฐิเหล่านี้เมื่อเกิดก็เกิดโดยที่อาศัยขันห้าไอ้ความยึดถือขันห้าอันนี้นี่แหละนะว่าโดยรวมๆกันนะยึดถือว่าเที่ยงและศูนย์แต่ที่ยึดถือว่าเที่ยงหรือศูนย์เนี่ยเพราะไปคิดในขันห้าว่าหนะึ่งะยึดถือว่าเที่ยงบ้างก็คือมาจากอะไรนิจจาวิปลาสอ่ะนะ ยึดถือว่าสุกบ้างยึดถือว่าอัตตาบ้างเนี่ยก็ยึดอย่างนี้ยึดในขัน 5? ว่าเที่ยงสุกงามอัตต า, านะยึดยึดอยู่แบบนี้แหละไอความยึดอันนี้เรียกว่าอุปาทานตรงนี้ยกมาให้เห็นเฉพาะทิฏฐุปาทานานะยกตัวอย่างทิฏฐุปาทานขึ้นมาแต่จริงๆะถ้ายกสองอย่างนี้เข้ามานสี่ประการก็เท่ากับแสดงแล้ว เพราะอะไรนะที่มาโดยยึดว่าเป็นเที่ยงหรือศูนย์ก็เพราะสำคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัตตายึดถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสุกนะนะเพรา ะ, ะนั้นก็คือทั้งกามุปาทานที่ถูปาทานและอั ต, ตาวาทูปาทานนี่ก็เกิดแล้วถ้าไหนพระพิสุอาจจะไม่ไ ม, ไม่บางท่านนะนะก็อาจจะศีลธัพปตุตปาทานถ้าท่านไม่มีความเข้าใจในคําสอนเลยเนี่ยนะ อุปาทานเกิดขึ้นเนี่ยที่ยึดถือในขันห้าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดอะไรก็กายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเสังขารก็เกิดใช่ไหมทีนี้กรรมอันนี้เน่ยชื่อตรงนี้เรียกว่ากรรมมาภพชื่อเต็มเรียกว่ากรรมมาภพ กรรมมพบเป็นปัจจัยแก่อุปาติภพนะถ้าถ้าแยกมาเป็นกรรมมพกับอุปาติภพเนะี่ยจะแยกมาแบบนี้ทีนี้ก็มาแบ่งว่าตัวในกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอ่ะนะดวงที่หนึ่งดวงที่สองถึงหดวงที่เจ็ดเนี่ยจะให้วิบากยังไงเนี่ยนะถ้าแยกว่ากรรมมพบกับอุปาติภพแต่ว่าโดยรวมๆแล้วพบเหล่านี้มันนําเกิดเรียกว่าชาติเนี่ยนะ อันนี้สง์ของชาติก็คือชรา ม, มรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตวัตะาทั้งหลายก็เป็นตายอย่างนี้นี่นะอนในในสูตรนี้นะอยู่ในขันธวารวักเนี่ยไม่พ้นจากตรงนี้อยู่ดีนี่นะแต่ว่าก่อนที่จะมาสะแสดงพูดถึงความยึดถือในขันห้าขึ้นต้นมาจากอากุศลวิตกนี่นะแล้วมากล่าวถึงว่าจะแก้อกุศลวิตกแก้ด้วยสติปฐานแก้ด้วย วิปัสนาแล้วการเจริญสติปัฏฐานหรือการเจริญวิปัสนาเนี่ยไม่เฉพาะละอกุศลวิตตกเท่านั้นนะยังละทิฐิเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะซึ่งทิถฐิอันนี้ถ้าไม่ละเป็นปัจจัยแห่งกรรมเนี่ยนะเพราะทิฐิเป็นทิฏฐุปาทานเนี่ยนะอุปาทานอันนี้เป็นปัจจัยแก่ ก, กรรมมาพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยก็มีชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมณัตและ อุปา雅าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลก็มีด้วยอาการอย่างนี้ น, นะสรุปว่าต้นเขาอะ น, นะที่ที่ทำให้วัตตะเกิดนี่อยู่ที่ไหนรู้แล้วนะก็อยู่ที่ทิฏฐิทิฏฐิหรือความยึดถือเหล่านี้อาศัยอะไรอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นะ